ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องสติปัฏฐานสูตรในช่วงที่เป็นเป้าหมายของการส่งแสดงธรรมะคืออย่างที่บอกไว้แล้วว่า ธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นจะมีพระอาราหันต์เป็นยอดแม้จะไต่ระดับขึ้นไปยังไงก็ตามแต่บางคนที่นำมาประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติไปตามกำลังความสามารถของตนตอนนี้กำลังพูดเรื่องสัตตานางวิสุทธิญาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็ท่งแสดงไว้ในพระสูตรอื่นนะฮะก็เป็นวิสุธทธิทั้งเดประการวิสุธทธิก็คือความบริสุทธิหมดจดไปโดยลำดับจนถึงเป็นความบริสุทธิหมดจดอย่างสมบูรณ์คือหมายความว่าเป็นความสมบูรณ์เพราะแห่งศีลสมาธิปัญญา ที่วานก่อนก็ได้พูดมาถึงเรื่องของวิปลาสที่จําเป็นจะต้องขจัดเพราะว่าตัววิปลาสเหล่านี้ยมันเป็นเหตุนําไปสู่ความรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็นําไปถูกปัญหาอิสสารพัดแต่ฮะแม้คําว่าเป็นเราอย่างเดียวก็ยุ่งแล้ว พอเป็นของเรามันจะไปล่วงล้ำสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของบุคคลอื่นเพราะเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็จะเกิดอัตราที่เครื่องขนาดไหนก็ไม่รู้แต่เครื่องมากๆก็ยุ่งแล้วก็มมานะ้าเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นพวกนี้กระทบกระทั่งอะไรนิดๆห น, น, น่อยๆจะไม่ได้จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี วันก่อนยังอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เล็กๆแต่เราอ่านแล้วเราก็สงสารแล้วก็ขำหรเพราะว่ามีคนแถวจังหวัดบุรีรัมย์มาทำงานรับจ้างในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ได้เงินเดือนแล้วก็ไปตั้งวงคุยดื่มเหล้ากันสี่คนมีวัยรุ่น สองคนนั่งซ้อนท้ายจั ก, กรยานไปก็ลงไปขู่เรียกเงินยี่สิบบาทพวกนี้ก็คงเห็นว่าเงินไม่มากองปัดจำคาญไปแล้วก็หยิบสงให้สี่สิบบาทแต่ไไวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมันโกรธหาว่าดูมินมันมันยิงเลยยิงตายเลยเนี่ยถึงบอกไว้ว่า อาการของราคาโลพาโทสะโมฮัมันแรงแรงจุดน่ากลัวจะบางครั้งบางคราวเราก็นึกไม่ออกเอ๊ะทำไมทำไมคนไทยจึงรุนแรงมากขึ้นอย่างนี้อิทธิพลทงางศาสนามันหายไปไหนพอไปเจอระดับครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าพระ ค, คือใครก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกันเนี่นนะฮะวิสุทธ ข้อต่อไปเนี่ยท่านเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธ์คืออย่าลืมว่าตอนเทปิป巴าดเนี่ยมันเป็นนิทิวิป巴拉ดและในทิฏฐิวิสุทธ์ก็คือจิตมันบริสุทธิ์จากความเห็นที่วิป巴าดหมายความสิ่งใดไม่สวยงา ม, งมงงกม็คือไม่สวยงามสิ่งใดไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์ก็คือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่ช่ตัวเจตุลก็คือไม่เ่ตัวเจตุน เพราะจริงไม่มีอะไรเป็นของเราจริงแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงเพราะมันไม่มีตัวตนให้เป็นอ่ะการที่จะเป็นอะไรมันต้องมีตัวตนให้เป็นแต่ทีนี้เมื่อไม่มีตัวตนให้เป็นมันก็ไม่ได้เป็นจริงนะฮะแต่ว่าเป็นสมมติมันก็เป็นเราก็ต้องเล่นไปตามบทบาทที่มีการสมมติกันแต่อย่ายึดมั่นถึอมั่นมากเกิดไปอย่าเป็นละครหลงรองม หลงโลงโมากเกินไปกันแล้วกันทิฏีิวิสุดิ์ก็คือความรู้ความเข้าใจมองเห็นนามารูปตามสภาวะที่เป็นจริงซึ่งเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยนัยยะดังกล่าวแล้วคือคือแนวาการยึดมั่นถือมั่นเนี่ย มันมีคําเรียกอยู่สองคำที่ค่อนข้างแพรหลายเนี่ยคือคำหนึงเรียกอุปาทานคำหนึ่งเรียกว่ากาหะกาหะก็เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงตั้งแต่อนัตตลักษณสูตรทรงใช้กับว่าเอตังมมะเอโสมัสมิเอโสเมอตานั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ก็เป็นความเห็นผิดที่ว่าวิปลาสล่างเนี่ยทีนี้การเห็นที่ถือว่าไม่วิปลาสมันก็คือขจัดความความเห็นเหล่านั้นออกไปนะเนตังมะมเนโซมาส ม, สมิณาเมโซเมอตตานั้นไม่ใช่เรานั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ความเห็นเหล่านีน้มันเกิดขึ้นจากการเห็นสิ่งทั้งหลายตามกฎของปรจจัยลกักษณกล่าว แล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถึงมันเมื่อเกินเบอร์นายคือคือมันมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายๆกับเรานอนอยู่ใกล้ซากศพโดยเข้าใจว่าศพนั้นคือคนไอตอนรู้สึกว่าคนเนี่ยเราจะนอนด้วยความอบอุน่นรู้สึกสบายนะรู้สึกวางใจว่ามีเพื่อนนอนแต่พอรู้ว่าเป็นศพเนี่ยสเก้ลียาใจหายวูบไป ก็มีเพื่อนรุ่นพี่องค์เหนือเป็นพระเขาในมโนท่านไปเทศเพอดีเรือด่ว น, นมันเสียไปเทศรู้สึกจะแถวสุพรรณอะไรนั่นะหละพอเมื่อท่านไปถึงนี่ ง, งานเขาเลิกละคนนอนกันละแต่ท่านก็ไม่รู้จะไปไหนวังขึ้นไปทีวดัดต้องพยายามหาแต่ไม่รู้ว่ากุฏิเจ้าวาดมัอยู่ที่ไหนก็เดินไปเดินมาก็เห็นไฟจุด ก็ตะเกียงนะตะเกียงน้ำมันเนี่ยก็จุดเลยเกร น, นคนนอนอยู่ในมุง้งคนเดียวก็นึกถึงว่าเออเราก็นอนหาเสือมันนอนตรงเนี้ยไปนก็มีเสือก็ลากมาแต่ก็นอนพอใกล้รุ่งอะประมาณทะปีห้านี่คนมาส่งเสียงคุยก็คิดที่จะเอาเอาคนในในมุ้งเนี่ยฮะ ไปอามน้ำไปบรรจุลงคุยกันเขาได้เย็นข้าวก็รีบตกใจใหญ่เลยว่านอนอยู่กับศกตั้งครึ่งคืนค้อคืนก็รีบลุกขึ้นไปเลยอนเนี้คือสังขารที่เราหลงยึด ต, ติดเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเป็นจริงพอทิฏฐิมันบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่จริง แล้วก็จะขจัดความเข้าใจผิดความหลงผิดเหล่านั้นออกไปได้ก็ดํารงอยู่ในภูมิของความไม่ลงผิดทีนี้พอพอเข้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เนี่ยมันอยู่ในจุดของกําหนดรู้อริยสัจกําหนดรู้ทุกขสัจ ต, ตามความเป็นจริงว่าขันธ์ห้าไม่เชี่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตา แต่ว่าภายในใจมนุษย์เนี่ยมันอาจจะวิ่งเอ้อสรงนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแต่ต่อไปเนี่ยมันอาจจะเที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาก็ได้หรือว่าเหนือกนไปกว่านั้นแต่เช่นว่าเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแต่ว่าพระเจ้านี่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นหน้าตามันก็แล้วแต่คิดพรหมเที่ยงเป็นสุขเป็นหน้าตาก็ว่ากันไปก็ยังเป็นลัทิ ศา ส, สนาต่างๆเนี่ยพระจิตมันไปวิ่งคือเอาแหละบางทีก็ยอมรับตัวเองแต่ว่าก็เนี่ยเวลาอธิบายอธิบายพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยคือเราเห็นว่าพระเจ้านั้นนิรันนะก็เรียกว่าอนาธิไม่มีเบื้องตน้นอนันตะไม่มีที่สุดนิยตะเชื่องแค้ยังยืนไม่แปลหันแต่ เราซึ่งเป็นฉายาของท่านไม่เที่ยงแล้วก็ต้องตายนะฮะคือหมายความว่ามีเบื้องต้นแล้วก็มีเบื้องปลายเบื้องปลายไปไหนล่ะไปอยู่รวมหรืออยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าพวกนี้จะพูดง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็คนก็ชอบรรู้สึกสบายดี วันก่อ น, นมีนิสิตจากปรยาโทมาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ามาสัมภาษณ์มาในประเด็นของพระศรีอญยะเมตใจก็มีอยูอ่รู้สึกว่า5้าหกประเด็น น, นนะครัะก็อธิบายกันชั่วโมงก็เราจะเห็นว่าเป็นความเชื่อของคนที่ สบายๆนะคือต้องการความสบายสบายไม่ต้องทําให้กินอะไรอยากได้อะไรก็ทิ่ฐานเอาจะต้นการระพรกษ์แล้วก็ได้ตามที่ต้องการคิดเพลินนะฮะทีนี้เมือม่อเมือ่อมนุษย์เนี่ยมั น, ม, นมันพอเกิดกิเลสเราจะลองสังเกตว่าเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะสติปัญญามันจะดับแม้ว่าราคะโลภะโทสะโมหะแล้ว ส, ส, ส, สติปัญญามันจะดับไป และแกจะมองเฉพาะเรื่องที่แกจะได้ไม่มองถึงปัญหารทศักด์อันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นคืออะไรเนี่ยไม่ได้คิดเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายพอเดน๋ยวเราเข้าใจการดักสัตว์เนี่ยมันก็คือล่อให้โลภสัตว์อย่างขนาดพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นนกยูง จับยากมากท่องคาถาทุกเชา้าทุกเย็นใครทํายังไงก็จับไม่ได้พวกก็มองดูไอสัตว์สัตว์ตนี่มันจะล่อดโดยอะไรล่อดโดยอาหารก็มองไม่เห็นนะนะเพราะงี้ว่าล่อโดยอย่างอื่นมันมองไม่เห็นเพราะก็ล่อ ด, ด้วยเสียงของนกยูงสาวเสียงนี่มันสูกไปไกล พอได้ยินเสียงก็ต้องการดูรูปเป็นธรรมดาเลยก็มองไปที่ต้นเสียงพอเห็นรูปมันก็เกิดพอใจพอใจนี่ก็ขันเลยเลยลืมมนเลยมีขนาดพระโพธิสัตว์นะฮะแล้วก็คนธรรมดาจะจะลำบากขนาดไห น, นขนาดพระโพธิสัตว์ยังตั้งหลักไม่ได้เลยพอถูกยั่วด้วยด้วยรูปด้วยเสียงก่อน แล้วก็ได้รูปแล้วในสุดก็บินมาหาก็ติดขับจับได้และโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าใจไปตกอยู่ภายใต้ของกิเลสก อ, อยังอย่างที่บอกว่าครอบแม้แต่เพียงข้อเดียวเนี่ยเราก็พูดยากแล้วดังนั้นพอพอพอถึงจุดหนึ่งมันมันจะเกิดว่า ก็เรียกว่าเป็นกลงขาวิจารณวิสุทธ์ความหมดจดแห่งยานที่เป็นเหตุให้ข้ามพ้นความสงสัยความสงสัยในเรื่องต่างๆแล้วก็ในอดีตในนาคแระตระเลี่งต่างก็เกิดความความสงสัยนะแล้วกำหนดรู้ปัจจัยแห่งนามมารูปแล้วก็สิ้นความสงสัยในการทั้งสาม สงสัยว่าเราเคยเกิดหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นยังไงมีสุขมีทุกข์ยังไงมีอาหารยังไงก็ก็ก็ตั้งคำถามถามไปเรื่อยเรื่อต่อไปอนาคตเราจะเกิดอีกอไมถ้าเราจะเกิดเราจะเกิดที่ไหนจะเกิดเป็นใครจะเกิดเป็นยังไงจะมีสุขมีทุกข์ยังไงก็ถามไปอีกแล้วก็เราเป็นใครเรามาจากไหนวงการทั้งสามเมันจะมองเห็นเป็นกระบวนการ เพราะาถ้าเราพูดในแง่สมบูรณ์เนี่ยเช่นว่าถามว่าคนเราตายแล้วเกิดอีกไหมเนี่ยคือถ้าเราตอบไปถูกเนี่ยเพราะคำมะคนณคนนี้ไม่รู้หมายทั้งหลายเราก็ต้องตอบว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีกิเลสหรือมีกรรมหรือไม่ใครไม่ต้องไปรู้แต่ว่าสําคัญไอ้เงื่อนไขให้เกิดเนี่ยมันมีหรือเปล่าถ้างเงื่อนไขให้เกิดคือกิเลสกับกรรมยังมีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องเกิด แล้วคนคนนั้นจะเป็นใครก็ไม่รู้แต่ผ้าไม่มีกิเลสกับกรรมเขาก็ไม่ต้องเกิดอีกเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องรู้คนเพราะว่าเรามองเห็นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่เมื่อก่อนเรามองเป็นคนเราใ น, น่ดีก็เรานะอนาคตก็เราปัจจุบันนี้ก็เราอย่างที่บอกว่าเราในแะง่สมมุติมันก็ฟังได้แต่ว่าจริงเรานี่มันมันไม่มีเรา ไม่มีเรามาแต่ต้นอ่าแต่ต้นเราเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยเราคือผลเพราะงั้นการเกิดจะเป็นทุกข์นะทุกข์นเป็นผลมาจากสมุทยัยเพราะงั้นเราก็เป็นผลมาจากกิเลสกับกรรมที่สร้างขึ้นมาก็สงจงหนึ่งก็จะมองเห็นตามกระบวนการของของปฏิกิริยานะฮะของปฏิกิริยาที่ กำหนดเป็นคล้ายๆกับโซ่ปฏิกิริยาลูกโซ่คือต่อกันไปเป็นแถวแล้วก็ตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นตรงกับคำว่าคำมธิติยานหรือยะถาภูตยานหรือสัมมาทัศนะเป็นการกำหนดตัวเหตุคือตัวสมุทยาาัยสัต จิตมันจะกำหนดที่ตัวสมุทัยสัตว์พอจากนั้นมันจะเกิดเขาเรียกว่ามัคคามัคคายานาทัทสนาวิสุปเป็นความหมดตรวแห่งญาณที่เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางคือเมื่อเจริญวิ ป, ปัสนาไปแล้วก็พิจารณาถึงในพวกกราปะทั้งหลายเนี่ยคือคือหน่วยย่อยทั้งหลายเนี่ยจนมองเห็นความเกิดขึ้น ความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็เกิดญาณอ่อนขึ้นมาเรียกว่าตรุณะวิปัสนาจากนั้นก็คือมันจะมีสิ่งอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัสณูปกิเลสมันเป็นอุปกิเลสของวิปัสนาที่เกิดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจของท่านเนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำให้ท่าน หลงเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าอุปกิเลตจริงๆมันเป็นกุศลแลธรรมดังนั้นลนลักษณะของอุปกิเลสมันมันคล้ายๆกับอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าเราเรียนมาถึงเป็นยาปีสามนะปีสามที่จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการมันดีแต่เราเตจบแหละเราตัองขึ้นปีสี่เราก็ยังพอใจปีสามอยู่เพราะปีสามเลยกลายเป็นอุปสรรค ทั้งๆ ท, ที่จริงๆมันดีอะตอนที่เราอยู่ปีสองเป็นเป้าหมายที่เราต้องการแต่พอเราจบจบปีสามเราต้องทิ้งปีสามเพื่อขึ้นปีสี่ปรากฏเราไปติดในปีสามปีสามทั้งๆ ท, งทงี่มันดีเลยกลายเป็นอุปสปรรคตรงนั้นวิปัสสุภกิเลสที่ปรากฏภายในจิตของท่านเนี่ยคือดูแลเป็นกุศลทั้งนั้น ท่านบอกว่าเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้บรรลุวิปัส น, นาอ่อนๆแล้วก็ทําให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วอันนี้เยอะเลยทีนี้พอพอเข้าใจว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วก็จะเรือยู่อยู่ตัวเนี้ยอยู่อตัวนี้ก็รักษาไว้เรื่อยๆเกี่ยวกับไฟมันติดแล้วก็วอร์มไปเรื่อยก็ให้เชื้อไว้เรื่อยพอมันอกไฟมันลุกอยู่เรื่อยแล้วก็ กิเลสมันถูกสยบไว้ลึกๆสยบลึกกว่าพวกชานนะนะอันถ้าไม่กระแทกแรงๆเนี่ยมันก็ไม่ฟูขึ้นอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระธรรมทินนาที่ไปพบพระเถระถึงท่านก็อยู่แถวเนี้ยนะท่านเข้าใจว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นพรานแล้วพระเถระต้องให้นิรมิตเป็นเสือองค์หนึ่งนี้นิรมิตเป็นเสือ ทำได้นะบรรลุปัญญาชายอิทธิพิธิชายมโนโมยิทธิองค์นึงอันนี้เราไม่เป็นผู้หญิงไอ้ตอนผู้หญิงเฉยๆเนี่ยกิเลสไม่ฝัวพอผู้หญิงเกิดไร้รำมชอบชบชบวักขึ้นมาเลยไปเลยชาญเสือ่อมก็รู้ตัวเองดีดย เพรานั้นอยู่ตรงนี้จะมีเป็นเป็นอันมากที่ทําให้เราบางทีเนี่ยลงผิดเข้าใจผิดแล้วก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นเรียกว่าตนได้บรรลุแล้วอ แ, แนวตัวเนี้ยที่ที่จริงแนวแนวไปยึดติ ด, ดมันมันมีมาตลอดอะตั้งแต่ปฐมฌานทุตทิยฌานตติยฌานมันติดตรงนั้นน่ะนะกิจตละอย่างเนี่ยมันติดเพราะว่ามันเป็นอัสาธะคือให้ความยินดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติไปถึง แล้วถ้าเกิ ด, กดชอบพอใจนึกว่าตัวเองบรรลุแล้วพอนั่งสมาธิพอถึงตรงนั้นก็หยุดอยู่ตรงนั้นเน่ยเล่นฌานเพื่อเพลิงฌานจนติดในฌานแล้วก็ในที่สุดก็ปรุงปรุงขึ้นไปโดวยวิธีการต่างๆเพราะสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นเป็นแสงสว่างเป็นญาณตัวอย่างรู้เป็นปีติความอิ่มใจเป็นประสถานสงบเย็นสงบ คือจิตมันจะสงบกายก็สงบปัจจาก็สงบจิตก็สงบแล้วก็เกิดเป็นสุขสุขแล้วมันจะมีลักษณะเขาเรียกอธิโมกคือศรัทธามันมันมันแผ่เลยมีความแก่กล้าแล้วก็ปรงใจเชื่อมั่นลงไปเลยเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นแหละและที่นี้ลักษณะอะไรก็ตามที่เราไปเชื่อมั่นไว้เนี่ย มันจะไม่ยอมคิดอย่างอื่นอะมันจบแล้วอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าความคิดในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะคือสร้างคนแล้วก็รวมคนไว้ได้เป็นพันพันล้านแล้วความคิดอย่างเดียว ก, กันเนี่ยรวมคนไม่ได้เป็นพันพันล้านเพราะถ้าถึงว่าเป็นสิ่งสูงสุดแล้ หลายปีมาแล้วนะมีคนในศาสนาหนึ่งท่านนำกำพีมาให้อัตมาก็เป็นตอนเป็นตอนนะะมารู้สึกว่าเล่นที่แปดตอนนั้นเล่มที่แปดแล้วมาถึงท่านก็เอาวันวันหนึ่งเนี่ยท่านเอาภาพถ่ายเอาแผนที่อะไรต่ออะไรไมาดูแล้วก็นั่งคุยกันนั่งอธิบายให้ฟังท่านบอกว่าเมื่อถึงวันพิพากษาเนี่ย มนุษย์มันมันจะลุกขึ้นมาจากหลุมเอ้มันลุกขึ้นมาได้ไงมันก็เปื่อยหน้าผูพังแล้วคนตายกันกี่พันกี่หมื่นปีแล้วก็ไม่รู้แล้วมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมมั็นไฟไปหมดแล้วทําไงแล้วคนในโลกเนี่ยเขาไม่ได้ฝังอย่างเดียวนะที่แล้วเขาเผาละมันเผาไปกี้เท่าไปแล้วทําไงแกบอกต้องฟื้นหมด ตัวคืนรึมาหมดแล้วก็ถามว่ารูปร่างมันเป็นไงไปล้พื้นเนี่ยเป็นตัวตนอย่างเรานี่นะกินพื้นที่ได้อย่างเงี้ยมีเนื้อหนังเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ําลมไฟอากาศอ่างเงี้ยแกบอกไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาไปชุมกันในที่นี้ท่านก็ชี้แบนเทศอมาชุมกันตรงนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะพิจารณาตัดสินบอกคุณต้องคิดนะ ว่าคนในโลกที่เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปสมมติว่ารอคำไปพากษาอยู่ไม่ต้องเกิดอีกนะฮะแต่เราจะเห็นว่าประจากัมันเพิ่มไปเรื่อยๆอแล้วก็คนตายก็เพิ่มไ ป, ไปเรื่อยๆเท่าคนเกิดนั่นแหละมันมหาสารมากนะถ้าลุกขึ้นมาในโลกเนี่ยยังนึกว่าที่เหยียบเท้าของคนเหล่านั้นมันจะมีหรือเปล่า ไม่ต้องเลินนะนะมันก็เหยียบกันตายหมดแนหะทีนี้พระเจ้าจะพิพากษายัางไงเพราะว่ามันมันมันเยอะมากมายอมันไม่รู้จะจะวิพากษายัางไงเกิดตั้งปัญหาถามหลายประเด็นนี่นนะแหะแกก็ร้องแกรมก็ตอบไปก็ว่าไปเลยเราก็ไม่ได้ขาดคออะไรแต่เราตั้งข้อสังเกตเฉยๆนี่เป็นลักษณะใะลักษณะของใจที่มันดิ่งลงไปอะ่ะมันลงไป ใจเชื่อไปอย่างนั้นแล้วไม่ขยับเพราะลักษณะของศรัท ธ, ธากับราคะกัลโลภะเนี่ยมันแนวใกล้ๆกันแต่จริงมันอยู่คนละด้านนะฮะคือศรัท ธ, ธาเนี่ยศรัท ธ, ธาเนี่ยมันเป็นกุศลแต่เราเห็นว่าศรัท ธ, ธาจะต้องกักเก็บด้วยปัญญาถ้าเธอไม่กํากับด้วยปัญญาประเดี๋ยวจะแหวกเพรา ะ, ะอย่าลืมว่าบางทีพระอาจารย์เนี่ย ลูกศิษย์บางคนไปรู้สึกประของตัวเองไปสมบัติส่วนตัวของตัวเองส่วนมากอาจารย์รูปหลอ่ลอๆเสียงดีๆอะไรต่ออะไรเนี่ยผู้จาไปเราะคนก็ติดอ่ะแต่ว่าจะติดแบบดารานะแล้วก็แยกไม่ออกว่าไอ้นี่คือระคือราคะหรือศรัทธาเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจารย์จะถูกลูกสิธิ์แย่งกันแย่งกันอาจารย์ไม่เล่นด้วย ลูกศิษย์เลยก็แยง่งพอแย่งเล้วเสร็จแล้วก็ฉันคอรอบครองไม่ได้เธอก็ครอบครองไม่ได้ก็กลายเป็นทําลายอาจารย์ประวัติศาสตร์เยอะนะเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เด็กแบบแบบเด็กแย่งตุ๊กตานะเราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นโลภะแต่ว่าเด็กมันก็เจือด้วยหลักคตโมหะนะมันต้องพูดออกมนมีเรียบร้อยเพราะฉันคอรอบครองไม่ได้ เธอก็ครอบครองไม่ได้แยงไปแยกมาตุกตาพังเลยเลิกเพราะฉั้นศัทธาในแนวนี้มันหยุดนะครมันหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้พอถึงจุดหนึ่งก็ความเพียรเนี่ยก็จะปักกาคือประคองความเพียรอยู่กับที่ทีนี้อยู่กับที่จิตมันมันมันก็ไม่สายจิตมันก็ไม่สายพอถึงจุดหนึ่งก็จิตจะอยู่เป็นกลางเป็นอุบเบกขาแล้วก็มันเกิดติดนิกนติกติ เกิดพอใจเกิดติดใจไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้ปัญญาจะต้องเกิดขึ้นมาแยกว่าอะไรมันมันมันถูกต้องอะไรมันถูกต้องอะไรควรไปหรือไม่ควรไปกระมัคขามัคคะหรือทางที่ควรดาเนินหรือไม่ควรดาเนินต้องแยกออกชัดเจนแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงจุดหนึ่งท่านท่านก็จะบรรลุในสิ่งที่เราเรียกว่า เป็นความบริสุทธิ์หมดจดคือคือญาณทัศ น, นวิสุทธิ์ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องก็เข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะงั้นทิฏฐิวิสุทธิ์กังขาวิตนาวิสุทธิ์มขารังฆายานทัศนวิสุทธิ์ปติปัธาหลักได้หลักดำเนินปฏิปัธาญาณทัศนวิสุทธิ์แล้วก็ญาณทัศ น, นวิสุทธิ์ไอตัวนี้ที่จริงก็คือนิโรธก็คือญาณ น, นะคือญาณคือตัวสมมายานในใน ในอริยมรรคในในมรรคตัวมรรคแท้เนะี่ยคือตัวนี้จากนั้นจิตก็จะหลุดพ้นราความบริสุทธิ์หมดจดที่ทรงแสดงเนี่ยมันก็แสดงมุ่งไปสู่ผลสูงสุดคือมรรคผลที่ผ่านนะแต่ว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ามหาสติปัฏฐานเป็นพระสูตรเดียวเท่าที่เจอนะฮะ ถ้าที่เจอทรงสรุปไว้ในตอนปลายสมหรับคนที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จะบารรลุผลภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ไม่เกินเจดชาติรับประกันถึงรับประกันว่าอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกนะว่าระยาไปจิตใจว่า สติปัฏฐานสี่เท่านั้นเพราะสติปัฏฐานสี่บรรหมดแล้วคือกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมะก็มาอยู่ในสติปัฏฐานสี่หมดแล้วอริยสัจสี่เองเนี่ยมาอยู่ในอริยสัจสี่หมดแล้วก็เจะเห็นว่าอย่างกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็เป็นทุกขสัจเวทนาก็เป็นทุกขสัจในจิตตานุปัสนาเนี่ย มันเป็นได้ทั้งมักกะสัต์แล้วก็ทั้งกลุ่มของนิโรธสัตว์ทั้งสมุทัยสัต์ในจิตานุปัสสนาเป็นได้นะคือจิตเราจะถูกปรุมด้วยกุศลก็ได้กุศลก็ได้กลางกลางก็ได้ทีนี้ในตัวมาร์กเนี่ยมันก็เป็นหมดเลยทรงเอามาทั้งหมดแล้วก็ไปสรุปไว้ที่อริยสัตตอนปลายเนี่ยสรุปไว้ที่อริยสัตมารสูตร น, รนี้ถ้าถ้าจะเล่นพิสดารจริง นมาใช้เป็นเมนใช้เป็นทางเดินในการบรรยายอบรมกรรมฐานที่ตึกสวรธรรมนิเวศเมื่อพศสอ 21, งพันห้ารอยี่สิบเอ็ดจนเดือนนี้นะบรรยายทุกวันเสาร์คราวหนึ่งก็สามสนาทีแล้วก็มีโยมก็มาอัดเทปไว้ก็เผยแพร่เทปเยอะ แล้วก็จากนั้นก็บรรยายพระสูตรหนึ่งชั่วโมงจากหลังจะนั่งสมาธิไปแล้วก็บรรยายพระสูตรจากสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็ใช้สติปัฏฐานสูตรหมาสติปัฏฐานนะใช้ตัวหมาสติปัฏฐานสูตรเป็นเมนแล้วก็เดินไปแล้วก็แวกไปเรื่อยๆนะเจอที่ไหนก็ชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆก็ข้าองค์ธรรมไปเรื่อยๆตอนนี้เพิ่งมาอยู่ที่สมาทิทิ และยังไม่เข้าสมาธิที่ในองค์มรรคไปอยู่สมาธิิที่เป็นโลกิยะซึ่งปรากฏในคำพีปัปปัญญสูทันีอัตกถาอธิบายมัททิมานิกาเนี่ยนะฮะอัตกถาอธิบายมัททิมนิกายอัตกระถาเนี่ยอัตกรถาเล่มเนี่ย ก, ก, ก็เพราะอะไรเพราะธรรมะเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พูดอยู่ไหนมันก็ถึงเพราะฉะนั้นท่านท่านจะเห็นว่าเวลาบรรยายพระสูตรนี้ก็ไม่เดินไปเฉพาะที่พระสูตรเดียวแต่ก็ไปเชื่อมโยงกับพระสูตรอื่นอันนี้เราจะพบว่าเจอไปลาไปหลายสูตรแล้วเนี่ยคือเป็นหนึ่งพระสูตรอื่นเข้ามาอย่างมาได้เรียงพระสูตรตันฑปิฎกสัง่งยุ ต, ตินิกายคือตัวพระสูตรที่เราเห็นในเล่มเนี่ย มันมีประมาณหกสิบกสูตรแต่บรรเนื้อหาองค์ธรรมที่ปรากฏในตรงเนี้ยมันมีเจ็ดร้อยกสูตรคือเราเอาพระพุทธ พ, พระพุทธองค์นี้อธิบายคําสอนของพระองค์เองแทนที่เราจะเอาจากอัตถกถาเราไม่เอาเราดูตรงนี้ยรู้จะอธิบายว่ายังไงพระที่ทรงอธิบายเองอยอะที่เคยยกนะว่าที่จริงเนี่ยทั้งหมดพระพุทธเจา้าทรงอธิบายเองอยู่แล้ว แปลว่ามีข้อแม้ว่าเราต้องไปต้องไปหาไปหาโนะตัวนี้สร ง, งอธิบายเป็ยังไงจะยกตัวอย่างอนัตตาที่พูดไว้ในวันก่อนอนัตตาเนี่ยมันมีสี่ความหมายความหมายหลักที่พูดกันมากก็สี่ความหมายหงวัตเสวัตนาเยวะเราไม่อาจบังคับบัญชามันได้ เราอาจจะสั่งการเอย่าแก่ได้อย่าเจ็บได้อย่าตายนะผมยังงอกหน้ะฟันอย่าหักนะนี่เราสั่งเขาไม่ได้มันก็อยู่ในอนัตตลักษณ์ในสูตรอยู่ในจุลสัจจสูตรทีนี้ตรงเันข้ามอัตราตัวตนมันก็อยู่ในจุลสัจจสูตรด้วยนะฮะจุลสัจจสูตรด้วยแล้วก็สูตรอื่นดยก็หลายสูตรอนัตตลักษก็เลย แล้วก็เป็นของศูนย์ก็อยู่ในคาถาที่รับสั่งแสดงแก่พระโมคค ร, ราชแล้วก็ไม่มีอะไรของเราอนี้เยอะนะ<ม>ในธรรมบทก็เยอะสงแสดงไว้เยอะมันมีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆเนี่ยแสดงเยอะเพราะวั้นก็เวลาทรงสอนคนเนี่ยทรงดูว่าคนเนี้ยจะสามารถเข้าใจโดยในยา่าใดก็คล้ายๆกับไปทางไหนสะดวกสมกับคนเนี้ย ก็นำก็ไปต่างนั้นแหละแล้วคนแต่และคนเ่งก็พบกันเองอเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแระธรรมเทศนาเหล่านี้ในภาคของการปฏิบัติเราเห็นว่านวิสุธทธิทั้งเจ็ดเนี่ยพอมาถึงตอนของปฏิปทาญาณทัศนนะ พ, พ, พอมาถึงมคขามะคะญาณทัศน์วิสุทธิเนี่ยมันก็จะเกิด สิ่งที่เราเรียกว่าวิววปัสสนูปกิเลสแต่ในขณะที่เป็นปฏิปทายานัทสนวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งยานอันรู้เห็นทางดำเนินนะคือได้หลักเป็นความเพียรพยายามในวิปัสนาญาณอันเริ่มดูความเกิดดับของนามารูปตรงนียที่เราพูดอรายาน1ิบกเนี่ย ผู้ปฏิยานสิบกที่เราที่เราพูดกันแต่ว่าตามปกติลยานสิบหกอย่า ง, างในสมกวัดมาธาเด่กเขาจะสอนคนที่ปฏิบัติสมาธิแล้วเขาก็อะไรเครียกสอบอารมณ์อะไรเขาเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูสอนกันเลยนะในหมู่คนที่รู้เรื่องเหล่านี้คือเคยผ่านการฝึกปรืออบรมมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอธิบาย เกิดตั้อธิบายเราก็เห็นไม่ได้มันเป็นเรื่องเราต้องเห็นเองนะเป็นเรื่องเราต้องเห็นเองเป็นความละเมียดละไมที่พอพูดเป็นตัวอักษรนี่มันยาวเหยียดถึงสี่หกข้อเลยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องขนาขนาดจิตเรื่องขนาจิตเท่านั้นเองเป็นเป็นผลทางจิต ที่คนซึ่งรู้เห็นเท่านั้นจะรู้ว่าไอเนี้ยอาการมันเป็นยังไงถ้าไม่งั้นเราก็ต้องใช้สัญญาคือความจำเอาเพราะว่าโอกาสที่เราจะสัมผัสตรงบรรลุญาณที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละข้อแม้แต่เนี้ยปีชาอย่างรู้ความเกิดดับของนามรูปเนี่ยเห็นนามรูปเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ อย่างที่บอกว่าแกงเร้อ น, น, อนตกักเรามาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับตอนเราเริ่มปรุงแกงมันก็มีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปไมันียิบอะเอาเข้าจริงก็เห็นยากแต่สรุปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าถ้าพราะพุทธเจ้าทรงแสดงเองจะไม่ให้วิจิตพิสดารอย่างนั้นจะแสะดงเป็นองค์รวมๆไปเช่นทรงสรุป วิปัสสนาญาณเนี่ยส ร, สรุปว่าสรุปว่าขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล้วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ใกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีทั้งหมดมันไกัขันห้าในแง่ของความจริงที่แทจริงมันไม่เป็นของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวตนเราจริงๆ พอยังข้ามันจะเกิดเบื่อหน่ายในรูปเวทนาตัญญาทังขานพอเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็จะพ้ที่นี่คลายกำหนัดี่จริงวันหนาจิตวันเยอะนะคือแต่ละอย่างมันเยอะเลยถามทำไมไม่ไม่ส่งแสดงก็แสดงก็ไม่เห็นน่ะคือหมายความว่าท่านที่รู้เห็นแล้วจึงจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองเราลองนึกดูง่ายๆเนี่ยว่า เราพูดถึงองค์ประกอบของยาสัดส่วนของยาเม็ดหนึ่งเนี่ยส่วนประกอบมันเยอะเลยส่วนปรุง ม, มันเยอะเลยแล้วพูดถึงคุณค่าของความเป็นยาของของอตัวเครื่องปรุงแต่ละตัวอีกอว่วากันเป็นหน้าหน้ากระดาษเลยแต่ที่จริงเนี่ยเราไม่รู้เลยแต่เรากินหายเหมือนกันเนี่ยหายโรคเหมือนกันหมอบอกว่ายาเนี่ยแก้ปวดหัว แล้วเสร็จแล้วหมอก็อธิบายคนหนึ่งละเอียดละเอียดจิบเลยเราไม่ต้องอธิบายเราเราปวดหัวเรากินเลยก็ตั้งคนตั้งก็หายโรคพระนั้นสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพยายามเดินไปคือขัดเกลาวจิตไปจน ม, นมาถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าจิตมันค่อยๆไปกิเลสมันค่อยๆจางไปเรื่อยๆนะฮะ ก้อยจางก่อยคลายก็มันบรเทาลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นจะเห็นสมมติอันเนี้ยสมมติว่าอุทยพยานปันสนาญาณเนี่ยอันนี้ก็เข้าวิปันสนาญาณเก้าแล้วก็เดินไปจ น, นปถึงน้องแหละไปจนถึงญาณสิบหกไปถึงญาณข้อที่สิกก็บรรลุมรรคผลไปแล้วก็เป็น เป็นรายละเอียดภายในจิตที่ปรากฏภายในจิตแต่วตัวผลเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกันคือญ า, าณทัศนวิสุทธ์คือปริชา ย, ยานอย่างรู้แล้วก็เห็นคือต้งรู้ต้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั้นเป็นการรู้เห็นด้วยญาณด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตานเนื้อนะฮะแตการรู้เห็นด้วยปัญญาทั้งนั้น แนี่การตัดสินวัตถุเห็นมันก็คือการดับของพวกกิเลสเพราะพวกเนี้ยพวกตัววิชาหรือตัวตัวปัญญาตัวญาณตัววิชาตัวปัญญาตัวแสงสว่างก็เหมือนกับที่ทรงแสดงแก่พระปัญญาเขี้ยนะจากคูุ่ดรปดีญาณอดรปดีปัญญาอดรปดีปิจาอดรปดีโลก้เนี่ยจากกุยาณปัญญาวิชาแสงสว่างเนี้ย ทำเหล่านี้ทรงแสดงในรูปวยยพจนธแต่ตรงนี้ไม่ตรงใช้คำเดียวคำวิ ญ, ญาณทัศนวิสุทธ์แต่ว่าผลคือดับอวิชาเพราะก็เกิดก็ทำาที่ดับอวิชาเหมือนกันเพราะาชื่อเนี่ยก็แล้วแต่จะใช้เรียกเรียกเรียกตรงตรงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะเต็มยศ นะอย่างที่บอกว่าใกล้อิทธิบาทเนี่ยถ้าเรียกเต็มรถเขาเรียกว่าสันทะสมาธิประธานสังขารใน่ปกตกิก็ไม่เรียกเรียกแค่ฉันทะเฉยๆพอดชงจริงๆเขาเรียกว่าต้องสติสัมโพชดชงในเวทนาอย่างนี้เวทนาถ้าเราเรียกจริงๆเนี่ยนะเรียกว่าความเสวยอารมณ์เพราะเกิดขึ้นจากจากจากักสุพันธ์เป็นปัจจัยแม้อันใด สุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ทำไอ้ น, นี่เรียกว่าเ ว, เวทนาถ้าเรียกอย่างนั้นแล้วก็ยุงง่งฮะคนคนเลยก็ไม่เข้าใจผลก็เอาง่ายง่ายเวทนาตอนตน้ตนๆเราก็พูดแต่ว่าสุขกับทุกข์ท่านั้นเองไม่ต้องพูดเรื่องอื่นหรอกเพราะอยา่าลืมเวทนาก็เป็นทุกข์สัตย์เมื่อเป็นทุกข์สัตย์เวทนาก็เกิดขึ้นประจากเหตุปจัจจัย แล้วก็รักษาสถานะเดิมของตัวเองไว้ไม่ได้จะมีการแผดเผามาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจะมีความเล่าร้อนโดยจะเห็นว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือความความสบายกับความไม่สบายเรารู้สึกเป็นสุขกับเป็นทุกข์แต่เพราะไอการประกอบด้วยเหตุ ป, ปัจจัยเราก็คิดไม่ออก แต่ที่จริงเนี่ยกว่าจะมาเป็นอย่างนั้นมันมีกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วในอดีตอยู่ด้วยนะฮะปัจจัยในอดีตอยู่ด้วยทําให้เราเกิดยินดียินร้ายถ้าเราไม่ดีไม่มีองค์ประกอบในอดีตอาการเกิดยินดียินร้ายมันก็มันก็เกิดเพื่อไม่ได้มันก็คล้ายๆกับคนเราพบเห็นครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้จักมันไม่เกิดชอบหรือไม่ชอบ แต่มันอาจจะรู้สึกนิดๆนะฮะอาจจะได้ในกรณีที่มันเป็นปุเพศสันนิวาสเคย อ, อยู่ร่วมกันมาในการก่อดโดยความเป็นมิตรหรือโดยความเป็นศัตรูพบครั้งแรกอาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ต้องมีภูมิหลังข้ามันไม่ใช่ว่านิ่งๆไปไปรู้สึกอย่างนั้นได้คนบางคนเคยอยู่ร่วมกันโดยมาด้วยความเป็นมิตรในชาติก่อนพบก่อน ทีนี้ถ้ามันซึ้งมากมันดื่มด่าอยู่มากเนี่ยแล้วก็พบชาติไม่ห่างบางทีเห็นปั๊บรักปุ๊บเลยเห็นปับเกลียดปุ๊บเ อ, อันนี้มีได้นะฮะโดยไม่จำเป็นจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าปุพเพสันนิวาสอยู่ร่วมกันมาโดยความเป็นมิตรและด้วยความเป็นศัตรูก็ตามมันก็เก็บไว้ไภายในใจ ว่าการที่เราเห็นปั๊บเราเกิดชอบไม่ชอบแล้วก็มีสุขมีทุกข์เนี่ยที่จริงมันเรื่องเรื่องเอาอดีตมาปรุงที่ปัจจุบนันเราก็กําหนดเราเองให้เป็นสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ก็แล้วแต่เพราะจริงๆเราเฉยเฉยจะก็ได้เรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ตามปกติใจไม่ยอมเฉยไม่ยอมเฉยมันก็เกิดกําหนดอารมณ์แล้วก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นนั้นเรา เราเห็นว่าตัวยานตัวนี้ยอุตยปยานอุปสนายานเนี่ยมันจะเป็นญานตามเห็นความเกิดและความดับคือพิจารณาความเกิดขึ้นความดับไปแห่งขันทั้งห้าจนเห็นชัดประสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแล้วก็ตั้งตั้งอยู่แล้วครั้งแล้วก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็ดับดับดับดับอ่าอันนี้อันเนี้ยคือแต่ละอย่างเนี่ยที่จริงมันเป็นยานกับละข้อละ เกิดขึ้น <dream> ตั้งอยู่ดับไปอาชุดหนึ่งเกิดขึ้นเกิดดับอีกชุดหนึ่งอ้าวเกิดดับดับดับดับดับก็อีกอย่างหนึ่งเลยเลยก็ย่อยไปเรื่อยๆเลยเจ่นพังคานุปัสนาญาญญาณตามเห็นความสลายคือเมื่อเห็นความเกิดดับเช่นั้นแล้วคํานึงเด่นชัดในส่วนความดับอันเป็นจุดจบสิ้นคล้ายๆกับน้ํำตกจากภูเขาดับดับดเลยมีแต่ไหลลงเลย เพาแนวตัวนี้เราเห็นว่าในวิปัสสนากรรมฐานในวิปัสสนาไม่ใช่ในในในตติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะสรงอธิบายไว้เป็นตอนตอนปลายตอนปลายเนี่ยนี้ก็ยกมาให้เป็นตัวอย่างท่างฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากหมาวิตรไหลศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุนีขอความเจริญ ง, งอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายด้วยเท่ากันสวัสดี